มีหญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งนะเป็นแม่ลูกสามเมื่อตัวเองเนี่ยอายุครบ50ปีเธอก็ตั้งใจว่าจะทำสิ่งที่มีความหมายให้สมกับเป็นวันสำคัญของชีวิตปกติวันเกิดเนี่ยเจ้าตัวก็เป็นผู้รับของขวัญแต่คนนี้เธอตั้งใจว่าจะเป็นผู้ให้ แล้วของวันที่เธให้เนี่ยมันมีค่ามากนะคือไตเธอตั้งใจจะบริจาคไตแล้วก็จงใจที่จะให้กับเด็กชาวปาเลสไตน์ที่ฉนนกาซาเด็กคนนี้อายุสามขวบเนเป็นโรคไตต้องการ ไตอันใหม่นะคนเรานี่มีไตสองไตนะสามารถที่จะแบ่งไตหนึ่งให้ผู้อื่นได้เพื่อเป็นการช่วยชีวิตพอเธอประกาศนะความตั้งใจเนี่ยครอบครัวเธอโดยเฉพาะสามีแล้วก็ลูกเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคนอิสราเอลเนี่ยจำนวนมากเลยนะมองว่าชาวเลรสตาเนี่ย เป็นผู้ร้ายเป็นศัตรูไม่ควรที่จะทำดีมีน้ำใจให้แต่เธอก็ยืนยันนะเพราะว่าเธอนว่าเนี่ยเด็กชาวเปเสไตน์หรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์นะเหมือนกับเราไม่ควรจะเกียดชังกันเพราะว่าเชื้อชาติหรือศาสนา ตอนที่จะมีการบริจาคไตเนี่ยเธอก็เขียนจดหมายนะถึงเด็กคนนี้เขียนสั้นๆไปเนี่ยเธอไม่รู้จกักฉันหรอกและเธอก็ไม่รู้จักภาษาของฉันเช่นเดียวกับที่ฉันก็ไม่รู้จักภาษาของเธอแต่เรากําลังจะอยู่ใกล้กันเพราะว่าไตาของฉันจะอยู่ในร่างกายของเธอก็ขอให้การผ่าตัดนะ เป็นไปด้วยดีแล้วขอให้เธอมีสุขภาพดีมีอายุยืนและมีชีวิตที่มีความหมายฝากจดหมายนี้เนะี่ยให้กับเด็กปาเลสไตน์คนนั้นและการผ่าตัดก็ราบรื่นด้วยดีเด็กก็มีชีวิตนะอยู่รอดสุขภาพดีแต่ก็ไม่ง่ายนะกว่าจะผ่าตัดได้นี่เพราะว่าใตมันต้องเข้ากัน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ก็จะทำให้ไตของเธอเนี่ยมไม่เข้ากับร่างกายของเด็กคนนี้ก็ได้แถมยังมีปัญหาเรื่องความแตกต่างทางด้านชาติพันธุน์เพราะว่าคนเพราะคนไมค์อเอลเนี่ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับชาวปาเลสไตน์เท่าไหร่เน้นจะอุทิศบริจาคอวัยวะนี้ ของคนยิวเนี่ยไปให้คนเปเลสตายนี่มันก็ก็ผ่านขั้นตอนมากมายสักหน่อยแต่สุดท้ายก็ราบรื่นการผ่าตัดก็เป็นไปด้วยดีเด็กก็มีสุขภาพดีส่วนโปรของเด็กนะทราบซึ้งมากเลยนะทราบซึ้งในน้ำใจของผู้หญิงนี้ชื่ออ mm ีเด็กซีเกลก็เลยตัดสินใจนว่านีจะอุทิศ บริจาคไตของเขาเนี่ยข้างนึงให้กับหญิงอิสราเอลที่ป่วยเป็นการตอบแทนแล้วก็เป็นเครื่องหมายของการสมานไมตรีการสร้างมิตรภาพระหว่างกันเพราะว่าคนอิสราเอลกับคนปาเลสไตน์นี่มีประวัติที่ขมขื่นเจ็บปวดมีการทำร้ายซึ่งกันและกันจนกระทั่งไม่ล่าใครเป็นเหยือ่อ หรือว่าใครเป็นผู้ก่ อ, อ ก, การเกียดชังกันมากจนกระทั่งอยากจะทำร้ายกันหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้มีความประสงค์ดีต่อกันแต่ว่าพอการกระทาของอีดิ s ซีเกิลเนี่ยเป็นที่แพร่หลายเนี่ยคนก็ทราบซึง้งแล้วก็เห็นมันก็เตือนใจนะว่าคนเราเนี่ย แม้ว่าจะมีเชื้อชาติสีผิวศาสนาชาติพันธุ์แตกต่างกันแต่สุดท้ายเราก็เป็นมนุษย์ก่อนอื่นใดเราเป็นมนุษย์ก่อนที่จะเป็นชาวอิสราเอลก่อนที่เป็นชาวเพสไตอ์น์ก่อนที่เป็นชาวไทยชาวพมา่าก่อนที่เป็นพุทธก่อนที่เป็นอิสลามด้วยซ้ําเราเป็นมนุษย์ก่อนที่จะเป็นอย่างอื่นซึ่งตามมาทีหลัง เรื่องราวของยิดซิเกิลเนี่ยนะก็จริงๆก็ไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นะแต่ว่าใครที่รับรู้ก็ซาบซึ้งเพราะมันสะท้อนเนี่ยในความมีน้ำใจเมตตากรุณาการที่คนเรานี้จะสละใจเนี่ยแม้เพียงข้างเดียวเนี่ยให้กับผู้อื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดีย๋ยว่าแต่ให้คนที่ไม่รู้จักเลยนะให้พี่ให้น้องให้เพื่อนนี่หลายคนก็ยังตัดสินใจ คิดหนักอยู่นานหรือบางทีก็ไม่อยากจะให้ไม่กล้าใหนะ้แต่ว่า i t ทธิิลนี่พร้อมที่ให้กับคนที่โดยไม่รู้จักแถมเป็นคนเชื้อชาติที่เรียกว่าเป็นอริ ต, ต่อกันนะแล้นอกจากความมีแม่ตากรุณาแล้วเนี่ยเธอก็ยังมีปัญญาด้วยนะปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในทางพุทธศาสนาเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลง หลงติดอยู่กับเชื้อชาติศาสนาภาษาสีผิวใครที่มีเชื้อชาติศาสนาสีผิวภาษาแตกต่างจากเราก็มองว่าเป็นคนละพวกหรือบางทีก็เป็นศัตรูไม่สามารถที่จะมองทะลุอัตลักษณ์หรือยี่ห้อนะเรียกว่ายี่ห้ออยู่แลนะไม่สามารถจะทะลุยี่ห้อหรือว่าอัตลักษณ์พวกนี้จนเห็นเนื้อแท้ของคนเราแต่ละคนคือความเป็นมนุษย์ ใครที่มองเห็นทะลุนะไม่หลงติดอยู่กับยี่ห้อหรือสมมุติพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาและจริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะเพราะคนสนใจเนี่ยหลงนะหลงหลงติดอยู่กับเชื้อชาติศาสนาภาษาสีผิวแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนอิสาราเอลนะเป็นทั้งโลกแล้ทั้งคนไทยด้วยคนไทยนี่ เราก็รู้สึกไม่ดีนะกับคนเชื้อชาติอื่นโดยเฉาะพม่าหรือบางทีก็ไปถึงรวมไปถึงยิ่งเป็นรอยิน ญ, ญาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกอคตินะเราก็รวมไปถึงเชื้อชาติอื่นนะเช่นชาวเขานะจะเป็นกะเหลี่ยงปากกาโยหรือว่ามงนะเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีด้วยรู้สึกดูถูก แต่ถ้าเป็นฝรั่งนอเมริกันสวีเดนอังกฤษโอ้ยเรารู้สึกมองด้วยความชื่นชมเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอคติซึ่งเกิดจากความหลงติดในสมมุตินะแลวไม่เฉพาะเชื้อชาตินะศาสนาด้วยชาวพูทธจนวไม่น้อยนี่ก็มีความรู้สึกไม่ดีกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริส บางทีก็ยกตนข่มท่าน่าศาสนาพุทธหรือว่าชาวพุทธเรานี่ประเสริฐกว่าคนศาสนาอื่นคนศาสนาอื่นจะขยับอะไรก็มองว่าเขามีเจตนาร้ายเียที่จริงยิง่งเป็นพุทธเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งมีปัญญานะสามารถที่จะมองทะลุสมมุติหรือว่ายี่ห้อต่างๆจนกระทั้งเห็นความเป็นมนุษย์ของการละกันที่จริง ชาวพุนี่เราเน้นปัญญาชนิดที่ว่าไปพ้นจากความเป็นมนุษย์หรือไดํานะเห็นว่านะไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไปถึงขนาดนั้นเลยแต่ว่าแม้จะไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยแค่มองทะลุความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติาศาสนาภาษาสีผิวให้เห็นความเป็นมนุษย์ของกันละกันเนี่ยมันก็ยากแล้วแต่ก็ควรจะมองให ถึงและไม่ใช่แค่นั้นนะความเชื่อทางการเมืองก็เหมือนกันนะหลายคนบอกโยกเปรตตายทะเลาะกันทําไมนะมนุษย์เหมือนกันแต่บางทีลืมไปนะว่าคนไทยเราเนี่ยแม้กระทั่งศาสนาเดียวกันภาษาเดียวกันนะบางทีก็ทะเลาะกันถึงขั้นเข็นฆ่ากันเพราะว่าความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกัน แบ่งแยกกันว่านี่พวกนี้สีเหลืองพวกนี้สีแดงะทะเลาะ ก, กันถึงขั้นทำร้ายกันอันนี้เรียกว่าเพราะว่ายัางหลงติดอยู่ในความหลงหลงติดอยู่ในความแตกต่างที่เป็นสมมุติทั้งนั้นเลยนะถ้าเราทะลุสมมุติเนี่ยจนทั่งมองเห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันนี่มันก็จะประเสริฐมากไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันก็ มาพร้อมๆกับขาวอีกขาวหนึ่งซึ่งน่าเศร้ามากนสองสาวันก่อนชาวอเมริกันอายุ70อมรเนี่ยจ่วงแทงชาวปาเลสไตน์สองคนคนหนึ่งเป็นแม่อยู่คนหนึ่งเป็นเด็กลูกนะของผู้หญิงนะอายุ6ขวบแม่รอแต่เด็ก6ขวบตายนะถูกแทงถึง20บกว่าแผล สองคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เช่าบ้านอยู่ชั้นล่างนะของผู้ที่เป็นฆาตกรผู้ที่เป็นฆาตกรเนี่ยดูข่าวนะอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมากนะจนกระทั่งอินแล้วก็เกลียดชังพวกปาเลสไตน์พอเห็นแม่กับลูกสองคนซึ่งเป็นเชื้อสายปาเลสไตน์ก็โกรธนีแล้วก็บอกว่าเนี่ย พวกแกเนี่ยฆ่าเด็กๆของเราในอิสราเอลพวกแกพวกปาเลสไตน์นี่ไม่สมควรมีชีวิตอยู่จ่วงแทงนะแม่รอดแต่เด็กลูกนี่ตายนะโดยมายื่นสวกาแพ้วันน่าเศร้ามากนะเพราะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่อาจจะมีภาษาหรือว่าเชื้อชาติเดียวกับพวกฮามาสนะที่ก่อเหตุเมื่ออาทิที่แล้ว แต่ก็เหมารวมวาเป็นศัตรูเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายสมควรตายเนี่ยนี่มันติดสมมุติมากเลยนะจนกระทั่งมอไม่เห็นถึงความเป็นมนุษย์ของกันและกันและนี่เป็นผลจากสื่อมวลชนเนี่ยนะดูข่าวมากนะโซเชียลมีเดียหรือจากโทรทัศน์เนี่ยจนกระทั่งเกิดความเกลียดชังอยารุลแรงคนที่รู้จักกันนะสองคนนี้ที่ตายเนี่ยแล้วบาดเจ็บนี่ก็เช่าบ้านของผู้ชายคนนี้อยู่ ไอ้ที่มันเศ้าคเด็กเนี่ยพอเห็นชายแก่นี่เข้าไปกาะนะแต่ชายแก่นี่ก็เอามีจ้วงแทงมันเป็นเรื่องที่น่าเาร้เด็กเนี่ยก็ไม่ติดในเรื่องสมมตินะแต่ผู้ใหญ่นี่มันติดมากนี่เราต้องถามตัวเองนว่าเรามีความหลงแบบนี้บ้างหรือเปล่ามากน้อยเพียงใดนะแล้วต้องพยายามที่จะลดละหรือลบล้างไอ้ความหลงแบบนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่เราจะได้เห็นความเป็นเรื่องของกันและกันไม่ว่าจะเป็น อิสลามเป็นคริสเป็นพมา่าเป็นกะเรียงปกาโอหรือว่าเป็นโรยิงยานี่ก็เป็นเพิ่มมนุษย์เหมือนกัน